หลายคนชอบบอกว่าอ้ทำไม่ร่วมก็มันก็มาหลงเลยตอนนี้ยส่วนหนึ่งของที่ไม่ยอมปล่อยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปัญญาด้วยส่วนหนึ่งไหมครับเพราะว่าคือเหมือนกันรู้ในอัตตาที่ยังไม่เต็มเนี่ยมันไม่เข้าใจครบรอบของวิญญาณขันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ไม่ยอมปล่อยไหมครับถ้าถ้าเขาถ้าเราเข้าใจว่าเราในไม่มีเข้าใจว่าที่ขันห้ามันทํางานเนี่ย ไอ้ความยึดตรงนั้นอ่ะมันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีเราเขาไปไปปนอยู่คือถ้าอัตราเต็มมันก็จะคือเห็นมันเต็มมันก็จะปล่อยถูกต้องคือมันยังมีตัวเราจะปล่อยเพื่อตัวเราวา ง, วางเพื่อ <ไป S 1> จะไปเอาก็า ม, มีอยู่แท็กในงานที่เราได้เนี่ยนะมีครับมีเออคือปล่อยหรือ ย, ยึดเนี่ยมันมี ที่มันคับแคลนใจมันไม่ปล่อยไม่ได้คือมันจะปล่อยเพื่อจะไปเอาความปล่อยครับคือมันลิงมันยังกรรมเพราะมันจะเอาอยู่มันไม่ปล่อยมันจะไปเอาความหลังปล่อยวางเพราะว่ามันคิดว่าถ้าปล่อยวางแล้วจะเป็นอย่างไรมันไม่ได้วางแล้ววางเลยมันไม่ได้วางเพื่อเพราะวางวางเพราะแบกไว้เหนื่อยเพราะแบกไว้หนักแบกผู้รู้ไว้มันหนักมันเลยวางเพราะเหนื่อยเหลือเกินที่แบกผู้รู้ไว้นาน แต่มันปล่อยวางนี้แต่เพื่อจะไปเอาอันใหม่คือเอาเบื้องหลังการปล่อยวางหลังจะปล่อยวางเราจะจะไปเอามันเลยปล่อยเพื่อจะไปเอามันไม่ได้วางเพื่อจะปล่อยวางผู้จะเอาแต่มันเห็นว่ามันหนักหนอะมีผู้รู้คาไว้มันหนักหนอะมันเหนื่อยหนอะมันทุกหนอก็มันเหนื่อยมันหนักมันทุก อ้าวก็เลิกทํางานทําผู้ทํารู้ซะทีเออเลิกทารู้ซะทีเลิกทํารู้เพราะมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยมันหนักเพราะเห็นทุกข์จึงเหน็นธรรมนะเห็นทุกข์จึงไปแบกเอาไว้พราะเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมนะที่มาคําว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเพราะเห็นว่าเราไปแบกไว้ผู้รู้ว่าแบกไว้ทําไมทั้งที่แบกทํารู้ไว้มันหนักมากมันเหนื่อยมากแล้วทุกข์มากหรือทุกข์มานานหลายภพหลายชาติ เราจะต้องข้ามภพชาติไปอีกอนันตาการในเพราะไอ้แบกรู้ไว้เนี่ยทำไมไม่วางมันไปเลยบึมลงไปเลยวางปุ๊บหายเหนื่อยเลยแค่นั้นแหลวางปุ๊บหายเหนื่อยเดี๋ยวนี้เลยวางเดีวนี้กหายเหนื่อยสิ้นทุกเดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดในหัวเลยว่าวางแล้วจ ะ, จะไปเอาอะไรคือแต่เห็นว่ามันเหนื่อยมากเลยแบบ แบกทำรู้ไว้เนี่ยมันเหนื่อยมากเลยทั้งชีวิตอนันตาการของแบกวางอย่างเี้หลายชาติ ว, วางบึ้มมานนุน <c oughs> ขององตาเคยนิมิตทำมาปรากฏเป็นภูเขามาทับเป็นภูเขามาทับแล้วก็องตาก็เลยถามว่ามาทับทำไมเนี่ยมาทับเราทำไมภูเขาก็ตอบว่า เจ้าแบกขันห้าเนี่ยมานานกี่ภพกี่ชาติและเป็นอนันตการไม่หนักบ้า ง, างได้ไงเขันห้าก็คือเราในภูเขาเนี่ยที่มาทับเจ้าไว้เนี่ยก็ทับเราไว้ใต้ภูเขากระเดาดินก็เดาก็เดาก็เดากรเดาอย่างนี้นแหละเรามาทับเราทําไมเนี่ยมาทับเราทําไมก็เจ้าแบกขันห้ามาอย่างเนี้ยเป็นอนันตการกี่ภพกี่ชาติ เราจะไม่เบื่อมันว่าไงเพราะไอ้ผู้รู้เนี่ยคือขันห้าคือวิญญาณขันผู้รู้นี่คือขันห้าวิญญาณขันถ้าเราคาผู้รู้ไว้ถ้ากเรายึดขันห้ายึดวิญญาณขันผู้รู้แล้วที่มันปรุงแต่งมารู้ได้เราก็จะใช้การปรุงแต่งถึงแม่รู้ที่ไม่เป็นวิญญาณขันแต่เราก็มาปรุงแต่งรู้ไว้มันก็อาศัยสังขารขันตัวปรุงแต่งมาปรุงแต่งรู้ไว้เพราะธรรมชาติของความไม่ปรุงแต่งมันปรุงไม่ได้ ที่เรามาปรุงแต่งรู้ได้มันต้องอาศัยความปรุงแต่งในขันห้าคือสังขารขันมาปรุงแต่งทํารู้ไว้มาปรุงแต่งทํารู้ไว้ไม่ว่าจะเป็นรู้ที่เป็นวิญญาณขันแล้วก็รู้แล้วก็ส่งต่อเวทนาสัญญาทั้งขานคือรู้แล้วมาภาคมาพูดอยู่ในใจกับปรุงแต่งเป็นสติไม่ใช่สตินะปรุงแต่งเป็นสติมารู้ไว้ ราลูนู้นรู้นี่รู้นั่นรู้นี่นรูหละไปวางรูหละไปวางรูหละไปวางนี่คือปรุงแต่งสติไม่ใช่เป็นสติสติปัญญาที่แท้จริงคือเห็นว่าไอ้ที่ปรุงแต่งลูหละไปวางลุงละป่วยวางสังเกตรูหละไปวางรูหละไปวางเนี่ยอันเนี้ยเป็นความปรุงแต่งเอาขันห้ามาเล่นปรุงแต่งเป็นรู้พอเห็นว่าไอ้รู้เนี่ยอ้าว มันเป็นความปรุงแต่งมารู้มันเลยถึงยอมวางเพราะเห็นว่ามันเป็นความปรุงแต่งหลวงพ่อเทียนกับมอนกันท่านก็ไม่ยอมวางรู้หลวงพ่เทียนจิตตะสุโพเนี่ยท่านรู้ทุกคิดมันคิดอะไรมันรู้มันเลยทุกคิดเพราะท่านดูมันมาหลายเดือนท่านดูดูดูดูดู ด, ดูแ ล, แลรู้มันทุกคิดเลยรู้มันทุกคิดแต่ท่านไม่ยอมวางรู้แต่ท่าน ยอมวางสิงที่ถูกรู้หมดเลยและว า, วางความคิดหมดไม่วางอยู่อันเดียวคือรู้ทารู้ทุกคิดตลอดเวลาเลยกัดติดจดจ อ, ดจอดกัดติดจดจอกัดติดจดจ่อลุ้ทุกคิดไม่ติดไปรู้ทุกคิดไม่ติดไปแต่ไม่ยอมวางรู้พอถึงตอนวันหกโมงเย็นท่านโพเพท่านเดินจงกรมอยู่ชายป่ามีใครมามาสุกสี ข, สขามท่านใจ้คาว่าซุกมาผักสีขางท่านแล้วก็ถลําไปข้างหน้า เขาเลยหันมามองหาคนผักหาไม่เห็นหาคนผักไม่เห็นพอหาคนผักไม่เห็นนะก็ไม่มีคนผักเนี่ยเออไม่มีก็ไม่มีกันแล้วไปพอหาคนผักไม่เห็นแล้วก็อะคิดจะมาดูความคิดใหม่คิดเริ่มต้นจะมาดูความคิดใหม่อา้าวเห็นเลยว่า คิดเริ่มต้นจะมาดูความคิดใหม่อ้าวไอ้ที่ดูอยู่เนี่ยมันปรุงมานี่นานี่ยมันคิดมันคิดมาเหมือนกันเราไปดูความคิดอื่นหมดเลยแต่ไอ้คิดจะมาดูความคิดเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นความคิดแต่รู้เห็นทุกคิดเลยไม่ติดไปแต่ปรากฏว่าพอคนเอาผักหาไม่เจออ้าวไม่เจอก็ไม่เจอคิดเริ่มต้นจะมาดูความคิดใหม่อ้าว เมื่อกี้มันหายไปแล้วนี่นี่มาเริ่มต้นปรุงแต่งใหม่นี่นะอา้าวปรุงแต่งมาจากความคิดนี่เองคิดจะมาดูความคิดใหม่อา้าวนึกว่าตัวเองอะเห็นทุกคิดแต่ไอ้คิดที่จะมาดูความคิดกลับไม่เห็นนี่แค่นั้นเนี่ยวางตัวเองวางผู้รู้เพราะเห็นว่าไอ้ผู้รู้ก็มาคิดปรุงแต่งมาแล้วก็เราตกเป็นทาสของความคิดปรุงแต่งไปหลงทําตามมัน มันคิดให้เรามาดูจิตคิดให้เรามาดูความคิดแล้วเราก็หลงทำตามมันเลยนี่หลงตามกิเลสของความคิดหลงทำตามความคิดโดยไม่รู้ตัวพอท่านเห็นอย่างนี้เนี่ยเข้าใจอย่างนี้มีปัญญาเข้าใจอย่างนี้จึงยอมวางนะว่าเอ้านี่มันเป็นความคิดปรุงแต่งแล้วเราก็ไปทําตามความคิดปรุงแต่งหลงทำตามความคิดปรุงแต่งอย่างนี้ก็ไปกิเลสตายดูไว้ด้วยความกิเลสเอาพอรู้ไปกิเลสความปรุงแต่งลนละ้วเนี่ยมันยอมวางเลยนะ ยอมวางผู้รู้เลยเพราะผู้รู้มาจากความหลงปรุงแตง่งหลงคิดปรุงแตง่งไม่ใช่เป็นผู้รู้เลยมันยอมวางผู้รู้นี่เนี่ยผู้รู้ของเราเนี่ยของพิมพ์เนี่ยเป็นผู้รู้ที่เกิดมาจากความหลงคิดปรุงแตง่งเราจะยอมวางมันได้เพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นความคิดปรุงแตง่งเพราะว่ามันมันปรุงขึ้นมาเพราะมันอยากจะปล่อยวางตอ น, นไหน <laughs> มันกรรมไอ ไอ้ว่าถ้าเรารู้ต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวเราคงปล่อยวางเพราะเราอยากรู้ว่าสภาวะปล่อยวางมันเป็นยังไงก็เหมือนอย่างวูรีว่าถ้ารู้มันย่อมไม่หลุดอ่ะถ้ารู้อยู่มันย่อมไม่หลุดเหรียญที่มันหลุดจากสร้อยเแต่ถ้ารู้อยู่มันย่อมไม่หลุดหรอกพยายามปล่อยวางคือไม่ปล่อยวางถ้าปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องมาปล่อยวางอถูกต้องแต่ยังรู้ก็ยไม่หลุดหรอกมันต้องหลุดแล้วค่อยรู้มันหลุดความรู้มันมาแต่หลังจากหลุดแล้ว หลานแต่ละองค์ทําท่าจะนอนบ้างลุดเลยฮไม่ชีแก้วทําท่าจะไปนั่งพักตีแค่ใต้ต้นต้นมะม่วงลุดเลยคนคารู้อยู่ไม่มีใครบรรลุตัว น, น้องสาวของของตามหาบัวที่ตบบรรลุที่ตั้นเล่าก็ไม่คิดจะทําอะไรตอนนั้นนะอยู่ๆ่าพอคิดจะจะนั่งสมาธิแต่ น, น่อยยังชักขาเข้าไม่ทันเลย เอาขาชักเข้ามานั่งสมาธิไม่ทันตอนเนี้ยเสี้ยววันนี้ดีที่ไม่ทันจะคิดจะทําอะไรมันก็หลุดไปเลยที่มีแทอ็กที่อัดไว้ที่ชายน้ําอ่ะคือถ้ายังทํารู้อยู่ยังพยายามรู้อยู่ไม่หลุดมันหลุดตอนที่จะนั่งส้วมที่จะแปลงฟันพอหย่อนก้นจะจะนั่งส้วมเอ้าเอ้ยไปตอนนั้นอ่ะไม่ได้ทํารู้ไว้คือมันจะทํากิจนั่งส้วมจะทํากิจแปลงฟันอ่ะ มันมันหลุดไปวะเี้ยพราะว่าถ้าขารู้ไม่หลุดไงไอ้รู้มันหลุดรู้นี่มันหลุดแต่เรานึกว่าตอนแรกอ่ะเราไม่มีปัญญาเรานึกว่าเราทิ้งสติปัญญาเราเลยเอาสติปัญญากลับมาใหม่เราไม่คิดว่าเอา๋อไอ้นี่อ่ะมันเป็นรู้ที่ปรุงแต่งเพมันหลุดไปแล้วเฮ้ยหลุดไปได้ไงวะหลุดไปองเงี้ยโดยที่ไม่มีปัญญาเลย แต่แท้ไอ้ที่เราปรุงกลับมาใหม่เนี่ยคือไม่มีปัญญาเราเข้าใจว่าเราทิ้งสติปัญญาไปแล้วมันหลุดแต่จริงๆไม่ใช่มันหลุดเพราะว่าเราทิ้งความปรุงแต่งรู้ไปเข้าใจไหมเข้าค่ะตอนในหลายคนเนี่ยนั่งทางานอยู่ทั้งวันนะเอะวันนี้ยังไม่ได้ดูจิตเลยเคยแล้วทํางานอยู่วันนี้ไม่ได้ดูจิตเลยเราเริ่มตั้งต้นจะไปดูจิตอันนั้นนี่ยไม่ใช่สติปัญญานะอันนั้นคือความหลงปรุงแต่ง แต่ที่รู้เนี่ยที่มารู้ว่าอยู่ๆไม่ปรุงแต่งเองก็เริ่มต้นปรุงแต่งแล้วไอ้นี่คือเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่ๆไม่ได้ปรุงแต่งแต่เองก็เริ่มต้นจะปรุงแต่งไปดูจิตเนี่ยเนี่คือเองกําลังหลงปรุงแต่งไอ้นี่คือเป็นผู้มีสติปัญญาแต่คนที่ทํางานทั้งวันแล้วไม่รู้ว่าจิตตัวเองอ่ะหลงปรุงแต่งไปจิตอะไรหรือไม่ยึดอะไรไปไอ้นี้ก็เรียกว่าไม่มีสติปัญญาเหมือนกันคือทําแต่งานแล้วไม่รู้ว่าใจข้างในตัวเองอ่ะหลงไปยึดอะไรหรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้เรื่องกัน แต่ทั้หลับคนรู้ว่าใจตึงตงไงไม่ยึดอะไรแล้วไม่ไม่หลงไม่ยึดอะไรแต่มันคารู้ไวยไงดูจิตไว้ตลอดเวลาเลยเราต้องทํางานต้องคอยดูจิตไว้ทํางานแล้วต้องคอยดูจิตไว้ไอ้ที่คอยดูจิตไว้เนี่ยคือตัวปุงแต่งแต่สติปัญญาที่แท้จริงเนี่ยคือพูดจะมารู้ว่าไอ้ที่คอยดูจิตไว้เนี่ยไอ้นี่ยคือตัวหลงเป็นเป็นตัวสติปลอม <laughs> เป็นตัวสติปัญญาปลอม ตัวปรุงแต่งที่จะไปเอาอะไรเอ่ใช่ตัวแต่งที่เจ้าอะไรที่ไปเอาเอาความไม่ปรุงแต่งอ่ะแต่มันหน้าตาดีมันหน้าตาดีกว่ากว่าไอ้กิเลสทั่วทไปใช่ใช่มันหน้าตาดีมากเลยเลยหลงมันหลงมันยาวเลยตัวเนี้ยเพราะว่าเราเรียกมันเป็นผู้รู้เลยแต่แจ้งว่ามันเป็นผู้หลงอะแต่เราไปตั้งชื่อมันเป็นผู้รู้เลยเราไปรู้มันไว้คาเลยตัวเนี้ยว่าไงเราเรียกว่ามันเป็นผู้รู้เราเลยหลงเลยวะความจริงกับมันคือผู้หลง อะไที่ดูจิตไว้นี่นคือผู้ลงเพราะอะไรเราดูจิตไว้เพื่อเราจะไปเอาอะไรไงแต่ไอ้ตัวที่มีสติปัญญาที่แท้จริงไงจะเป็นสติปัญญาแท้ก็คอไอ้ตัวที่มารู้เท่าทันในตัวไอ้ตัวสติ ป, ปุงแต่งที่ไปดูจิตนะแต่มันก็วางวางตัวนี้ไปจึงเรียกว่าผู้มีสติปัญญาขั้นนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีสติปัญญาจริงๆวางไว้แล้ว อย่าไม่คิดว่าอ๋อจะคิดว่าสติปัญญาเนี่ยลืมมันวางไปแล้วอาอสติปัญญาหายไปไหมกลับมามีสติปัญญาใหม่เริ่มต้นปรุงแต่งใหม่คือมันไปโดยฟุกไม่ได้ไปเพราะมีปัญญาอาวิชามันเลยไม่ดับอวิชาไม่ดับปุ๊บมันเริ่มกลับมาเอ้ยเมื่อกี้ขาดสติไปว่ามันว่างมาได้ไงวะเนี่ยมันขาดสติไปกลับมามีปรุงแต่งปรุงแต่งสติขึ้นมาใหม่มาดูจิตต่ออีกเพราะมันฟุกไปไม่มีสติไม่ได้เป็นสติปัญญา มันสติปัญญาต้องมาพร้อมกับที่มันขาดไปเป็นสติปัญญาที่แท้จริงอันนี้อวิชชาดับที่เดียวขาดกระเด็นเลยว่างพร้อมกับมีสติปัญญาที่รู้แจ้งจริงๆว่าอาวิชชาดับสติที่หลงพุงสติปัญญาที่หลงพุงแต่งไว้ก็ดับหมดพร้อมกับความว่างอันเนี้อวิชชาดับจริงที่เรายอมวางไอ้ตัวสติสติตัวปลอม สติที่มาคอยดูจิตเพราะเราเราเห็นว่าอ๋อตัวนี้มันไม่ใช่รู้มนันตัวหลงหลงปรุงแต่งเราจึงยอมวางถ้าเราไปเรียกมันรู้เนะี่ยมันก็คือหลงตายแล้วเวลาเรียกมันรู้แต่จริงมันคือหลงเป็นส ต, ติปลอมส ต, ต, ต, ตมิมันสติปลอมอพอเรนเกมันหลงปุ๊บเลยยอมวางว่ามันหลงนี่มันไม่ใช่รู้หลงทําเป็นรู้เออหลงทํารู้หลงทํารู้ อหลงไปทํารู้อมแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นรู้แต่ ท, ที่มันห ล, ลงไปทํารู้อหลงไปทํารู้พัลว่ารู้มันหลงเอ้าหลงไปทํารู้อ้าวจะหลงอยู่ทำไมอ่ะพัรู้เป็นหลงแล้วก็เลิกหลงรู้ใครไม่มีใครหรอกที่ว่ารู้ตัวเองหลงไปทํารูอ้อ้าวยังไปหลงยอยู่เลยแหนะ่มันไี้มีแล้วนะ โอ้ยนี่มันหลงว่าหน้าตานี่คือหลงมันก็ไม่เป็นหลงทําทําอีกแล้วแต่เราก็ต้องรู้ให้ชัดว่าออกเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยหลงกันเนี่ยวันหน้าตายอย่างเงี้ยไอตัวที่รู้จะชัดจะกลายเป็นหลงตัวใหม่ใช่ <c oughs> ไอตัว<ร>ที่ใช่รู้เป็ตัวหลงจะชัดเลยจะกลายเป็นหลงตัวใหม่มาเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเป็นตัวดีขึ้นอีกหน่อยหนึ่งคือมันต้องเหนื่อยมันต้องรู้สึกเหนื่อยมากเลยเหนื่อยเหนื่อย กับการปรุงแต่งเ ห, หนื่อยเนื่อยกับการกระทําการพยากระทาอะไรมันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมายาวนานมากเลยแต่ก็มันไม่ได้พักเลยทั้งชีวิตวางการกระทําทั้งมวลลงพักสักทีตอนพักนั่นแหละมันถึงจะผลทุกกิ่งกิ่งพักใจพักใจจริงๆถ้าไม่พักใจที่มันยังกระทําไม่เลิกไม่มีทางตอนพักนั่นแหละทีงหายเหนื่อย ไม่ใช่ตอนทํำนะทำทำไม่เน oh ื่ยไม่ห้เหนื่อยหรอกเพราะชื่นบอกว่าทำต่อทําไม่หายเหนื่อยหรอกทำทำทำทำต่อให้ทํารู้ทําอะไรทั้งหมดทำตติปัญญายังเหนื่อยดังนั้นแหละเพราะว่ายังทํางานเน้่ยไม่ปกเสียนมันต้องรู้สึกว่าทุกข์กับการทํางานคนเราจึงเบื่องะเบื่อที่จะทํางานแต่ยังไม่รู้สึกเป็นทุกข์กับการการทำงานมันยังสนุกอันเนี้ไม่มีใครปกเสียนเนี่ยเพราะยังสนุกกับการทํางานเออถึงเหนื่อยก็สนุกมันก็เลยไม่ยอมปล่อย เหมือนลุงตาเนี่ยคือคนอื่นเขายึดหมดเลยเพราะแะไรเงินเดือนดีใช่ไหมเป็นผู้สาวเงินเดือนดีจนยิ่งเป็นผู้สาวผู้ใหญ่ก็เลยยิ่งเป็นอาวุโสก็ยิ่งสบายใหญ่เลยเออเป็นอาวุโสแล้วก็งานก็น้อยลงเงินเดือนก็เยอะไม่มีใครออกมาได้หรอกยากลุงตาเหนื่อยแล้วเหนื่อยจะพักแล้วเหนื่อยันปกเกษียณก็ให้ปกเกษียณตั้งเจ็ดสิบอะนั่นพอปกเกณเจ็ดสิบออกมาก็ตายแล้วบางทีไม่ทันไม่ทันที่เจ็สิบตายก่อนแล้ว มันตายคาแล้วนะเนี่ยยังไม่ทันถึงเจ็ดสิบก็ตายก่อนแล้วบางทีแล้วเนี่ยเงินที่ได้มามันก็ไมไ่ไปใช้หรอกมันตายก่อนแล้ว อ, อย่างเงี้ยหายเหนื่อยก่อนดีกว่าออกก่อนเลยออกก่อนกันต่อไม่เอาแล้วเขาบอกเดี๋ยวมันก็ได้สัมมานาไปเที่ยวต่างประเทศไปโน่นไปนี่ไม่ไปแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยพอแล้วพอแล้วรู้จักมันพอเหนื่อยแล้วพักพอพักปุ๊บสบาย คนอื่นเขาทำเราเห็นแล้วแต่เขาบอกเขาทํางานอยู่ก็สบายเขาสบายแต่เราเห็นแล้วเราเห็นเขาทางานเออแต่คนทํางานเขาเก็ยัว่าเขาสบายเออแต่เราสบายคนละอย่างกันเราออกมาเห็นคนอื่นเขาทำงานเราเอาเอใจไม่ทํางานแล้วก็สบายแต่คนนี้ทํางานสนุกกับ ง, งานเขาก็รู้สึกว่ายังสบายอยู่ หลวงตาตอนนีน้หมดหลวงตาประเทศตามสารนะโอ้หลวงตาเนี่ยรู้ไหมเนี่ยรุ่นหลวงตาเนี่ยเป็นรองประธานเป็นอธิบดีทั้งนั้นเลยอหลวงตาไม่น่าออกเลยอะไรเงี้ยอกออยินดีด้วยยินดีด้วยแต่เราพอแล้วเพราะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วไม่รู้เราจะแบกตําแหน่งผู้สาบไม่ได้หรือเปล่าเงินทองทรัพย์สินที่มีอยู่เครื่องราชสันตะปาลไม่รู้จะแบกไปได้หรือเปล่าเราพอแล้วเพราะเรารู้ว่าแบกไปไม่ได้เราจึงพอ ใจที่มันวางอะละมันรู้ว่ามันเต้นลุกขึ้นมาดินลุกขึ้นมากระทำอะไรมันทุกทั้งนั้นลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมายามดูลุกขึ้นมายามรู้ลุกขึ้นมาพยายามละไ ป, ปวางเหนื่อยทั้งนั้นเลยเหนื่อยพอวางปั๊บว่างเปล่าเลยเรากลัวว่าวางแล้วมันจะไม่รู้อะไรแต่วางปั๊บว่างเปล่าเลยการเป็นความรู้ที่ว่างเปล่า ดียิ่งกว่าอีกไปพยายามรู้ไว้พพยายามรู้ไว้เหนื่อยมากเลยแต่พอวางปุบ๊บกลายเป็นความว่างแต่กลายเป็นความว่างที่มีความรู้คือรู้ว่าสิ้นยึดรู้ว่าผลทุกข์รู้ว่าการกระทำมันจบแล้วเนี่ยมันยว่าพุทธิวาจริงๆเงนะรู้ว่ากิจที่ต้องทำจบแล้วการกระทำจบแล้ว มันหายเหนื่อยกว่ากันเยอะเ mm hmm. นั้นพอวางเลยเนี่ยมันเป็นความรู้ที่สุดยอดเลยเป็นความรู้พร้ ร, รู้จริงรู้แจ้งรู้พ้รู้ว่ากิจที่ต้องทํำจบแล้วรู้ว่าสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วสิ้นตัวตนแล้วจะมีเป็นชาติสุดท้ายพบหน้าใหม่ไม่มีเนี่ยสาหรับผู้ที่สิ้นยึดแล้วถ้าก็จะมีความรู้อย่างนี้ mm hmm. อันนี้มันวาง มันจึง <Todos> ว <olo i> ่างและเป็นความว่างที่มีความรู้นั่นแหละแต่คนทั้งหลายกลัวว่าวางแล้วมันจะไม่มีความรู้แต่มันวางโดยรู้นะวางโดยมีความรู้คือมันรู้ว่ามันไม่ได้ยึดอะไรเป็นกิเลสแล้วมันเหลือแต่การกระทาเพื่อไปสู่นิพพานมันจะมีการกระทากระทากระทาเพื่อไปสู่นิพพานแต่ไปยึดอะไรเนี่ยมันไม่ยึดแล้วมันไม่ไยึดอะไรแล้ว มันเหลือแต่การกระทําให้ตัวเองไปสู่นิพพานมันจะเป็นการยึดอยู่แล้วมันก็วางการกระทําเพื่อให้ตัวเองไปสู่นิพพานอย่างอื่นไม่ยึดแล้วไงผมละวางตัวนี้มันก็เลยหมดที่หลวงปู่ท่านเรียกองตาไปไปถามไปบอกก่อนที่องตาจะออกมาจากท่านว่าองตาดูให้ดีนะกิเลสไม่มีแล้วทําไมจึงไม่ไปรู้นิพพานคือมันต้องรู้ตัวของเองไะเรียกว่าบอกว่ามีความรู้สัก่อน มีความรู้ว่ากิเลสไม่มีแล้วไม่ไปยึดอะไรเป็นกิเลสแต่ทำไมจึงไม่ไปรุนิพานกิเลสไม่มีแล yup. ้วแต่ทำไมจึงไม่ไปรุนิพานนั่นแหละเหตุท um um ี่ยังไม่รู้นิพานคือว่ามันไม่ยึดอย่างไรแล้วแต่มันไปยึดจะเอาตัวเราไปนิพานยึดจะเอาตัวเราไปนิพันเราก็พยายามกระทํากระทํากระทํากระทํามันก็เหนื่อยเหนื่อยที่สุดเน่ยเหนื่อยกับการกระทําเราจึง เองจะปรุงกับช่างวะเป็นสังขารไม่งั้นแหละนะปรุงไปเลยเพราะเห็นทุกอย่างเป็นแต่สังขารสังคานวิสังขารมันปรุงไม่ได้แล้ววิสังขารมีแต่ความว่างเปล่าธรรมชาติมีแก่สองสิ่คือสังขารกับวิสังขารความปรุงกับความว่างนั้นความปรุงเป็นนิพพานไม่ได้เอาความปรุงไปนิพพานไม่ได้ความปรุงไปความชื่อเขาบอกแล้วไปความปรุงแต่งเป็นนิพพานไม่ได้นิพพานคือปล่อยวางสังขารทั้งหมดแล้วก็มายึดวีสังขารที่เป็นนิพพาน แต่ธรรมชาติก็มีแค่สอย่างคือสังขารกับวิสังขารที่จะมาปรุงเล่นได้ต้องเป็นสังขารเอามาปรุงดูปรุงรู้ปรุงเห็นปรุงละปรุงปล่อยปรุงวางรู้แต่เป็นสังขารหมดเลยถ้ายังหลงเล่นกับสังขารก็จะกลายเป็นสังขารเรื่อยไปจะไม่สามารถเป็นวิสังขารได้ต้องปล่อยวางสังขารหมดจึงเป็นวิสังขารเมื่อปล่อยวางวิสังขารแล้วจึงว่างเปล่าพอว่างเปล่าแล้วก็ไม่หลงเอาไอ้ตัวสังขารเนี่ยปรุงเอาสังขารมายึดความว่างอีกทีก็เป็นนิพพาน ก็คงปล่อยเป็นความว่างอยู่แค่ไหนแล้วความปรุงขันหน้าเขายังปรุงอยู่ยังไม่ตายแต่มันไม่มีตัวเราเนี่ยร่วมผสมไปกับอะไรในการปรุงนั้นจะมีตัวเราเข้าไป ม, มีส่วนได้เสียมีแต่ใจที่ว่างเปล่ากับความปรุงแต่งในความว่างคือขัดหน้า